Book 2 2ยี่สิบหธรรมชาติคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ วิธีส์ตามเทนเวิรคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับวิธีส์ตามตูเจดิโคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับวิธีส์ตามตูริเคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับวิธีส์ตามเทนมอสตคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ vidíš t a m t ต j a ตัว o ซรผมชอบนกตัวนั้นต a มเตนฟตัตตกซาม p a าชผมชอบต้นไม้ต้นนั้นตัมเตนสตรอมซามิปาชผมชอบก้อนหินก้อนนี้ตัม n ต a m า ň sa mi p ิปาช ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นต a m t e n p a r ์ s สามิปาชผมชอบสวนนั้นตัมตาซาร a ดาส a มิปาชีผมชอบดอกไม้นี้ต a ม t e n คว e ต s ามิปาช i ผมว่านั่นมันสวยปาช i s a มิ t o ผมว่านั่นมันน่าสนใจเยโตซาอิมาเบผมว่านั่นมันงดงามเยโตนาเทเนผมว่านั่นมันน่าเกลียดเยโตสกาเรเดผมว่านั่นมันน่าเบื่อเยโตนูดเนะผมว่านั่นมันแย่ ม to ก็ร้อน